ดูาแต่วองาที่ดูท่านนี่พูดไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ทําเก่งทํำได้ทั้งวันอืมแต่ละแต่ละรัฐแต่ละมีพรรคส่วนก็มีหรอมาสการน้องพ่อกขานะเพื่อที่กัญยานามิทุกคนณสาทุก็น้อยเขาบว่าเป็นภาษากขาบอเป็นขี่รบัดป้าผู้เดียวอยู่อันอยู่ท่าก็นดิหาคนเบ็ดบ้านหันบุมีส่วนผู้ใดเลยก็แล้วส่วนผู้ใดก็แล้วผู้ใดก็ดี ก็น้อยกับการปฏิบัติกับเหตุเวทนามือหนึ่งหันบันออกซิซายออกซซายวมุนหัวเขา่ามุนหัวเข่าเหตุคือเฮ็ดคืเอเป็นชุรานก่อนว่าสันเหตุไปเหตุมาเลยขึ้นอุดปวดเลยตั้งแต่พูดมาเลยเห็นตั้งแต่เวทน า, าแต่ว่าความข น, น้อยกัแต่บ อ, อกเอาใจใส่บันมันปวดอยู่นะเออปวดกระยามันเสริ่องไปชุดที่วะสัน ไปมาลูกขันพ่อจับจองค้นผุดเดอยากให้มูดึงขึ้นผุดนะมันดุกบ่ได้อยู่ต่อมาเมื่อหนึงแล้วก็ก็ะบาดเอาใจใส่ดอกความเจ็บมันกับเบิ่งใจมันจะถูกบดด้วยบดถุกมันก็บทดถูกมันมาเรื่องของมันเจ็บเรื่องของมันปวดแล้วก็เบิ่งมันไปแล้วความคิดเข่ามามันกับมันกับบาดข่ามากลายมันสั่นมันก็มาตกไปตกไปตกไปคิดข่ามาอยู่เรื่อยแต่ว่ามันหักโบเข่ามันเลยจิตใจห้าวนะ มีมื่อหนึ่งมาบดีหันหลวงพ่อเมื่อเมืองไทยหละเมื่ออันบสิกาละอาจารย์ชยันชนพาเหตุอนันนาพากันเหตุอันเอขี้ไสละกอดว่าเขากอดว่าเขาคว่าประทาบพื้นบนันไดฮ ะ, ะว่ประธานพื้นอ้าวมันเป็นแห้งบมดมันนั่นหรว่าสันเบนิงเรไปเห็นเศนผมนี่หันเปื่อยออกเปื่อยออกเปื่อยออกยางเป็นยางออกบันไดฮ ะ, ะ<ม>อ้าวสันไป็นยังมาเป็นนังสี่สันนอนเบิงอยู่บนันไดฮะนะ หัวาภายหนึ่งกับุมีแล้วเสียนผมนะมันคูออกหมืดเป็นเป็นด่างเป็นลางออกเป็นหน้าเบิดตายหนึ่งอะนะอ๋อใช่าเป็นดังซี่บา น, นีิฮานะบาสันตกใจแล้วบาณิฮา น, น, นะเมื่อนั้นโอ้วิตขอคงค้นนี่เป็นดังซีตลอดเนอว่าสันมีเมื่อหนึ่งเขาจะเป็นคือเขาเห็นนี่แหละต้องเปื่อยองซี่ล่ะมาเลยน้าตานี่พาหนว่วยเปิดมือมือวันคานนะนะ น้ำตาพังออกมันอิโทนชีวิตของคนเฮานี่นะฮะนะมันงั้นว่ถูกแบบนี้มันเปื่อยออกมันเพรออกเสน้นผมอยู่ดีๆเป็นจะมาคือเปื่อยออกคูออกแบบนี้อ่ะน ะ, ะมากน้ำตาพารวยเบิม้มือมันนั้นเถอะนะมาก็นท์โนบน่ายังเชิญหลวงพอเขามาจนเด็กแล้วอะบ่ายโมงสิบสองโมงป้ายหลวงพ่อเขามานะมาก็จ ะ, จะจะสื่อแจ้งได้แต่จังรับวันนี้นะ มากล้วก็ตื่นมากบอเมื่อหนามากก็มัน ก, ก็หายในประเี๋ยน้าตามันกับโบออกบาดใดปร ะ, นะะเดี้ยวนะมาคุดเสีสุขภาพตัวเองเป็นยังขุดเห็นอยู่ในนี้นะอันหัวภายหนึ่งบอบีผมนะมันยังขุดเห็นอยู่มันยังโอ้วาชิวปิดหนังซี่ได้บนะระเดี้ยวนะมาแบบต้นแรงมาแบบอาจารย์อาจารย์ผลมาสายอันแมซี่ยังพระซุนีบอกมาภายเบิงนะมันก็บอกว่าโอ้มาขุดเสียตัวเอง เห็นอีกแบบ น, นี้น่าอยู่ต่อมาแล้วก็มีมือหนึ่งอีกน้อยแล้วเห็ดกินอยู่ในเขือนพอดหรอกเห็ดกิจภาพมาปาดมือปาดมือแล้วหอดวะเฮ้ยสมารเลือดออกหลายเทวาสันมาท่านแล้วดอกเอาแพรมาพันไว้พันไว้แล้วโบจักนั่งเล่โบเสียเวลาเดินจุกกลมแบบนี้หน่าแพรพันมือวาเดินจุกกลมเดินไปเดินมาโบจักเสียเวลาหรอกเห็ดกินนะครบไม่มีลากหปะเขืองไว้หั มันเศ้าเลยจงสิไปอันเพียโตว่ะสันมาเปิดอีกมาเปิดเจี้ยพันเมือออกอีกมันยังเลือดออกอีกย่จิตมันบอกว่ามันสมน้ำหนาว่ะสัสมันสมน้ำหนาว่าสัสอ้ามัไม่สมน้ำหนาไายอันนี้ว่ะสัสสมน้ำหนากูอูว่าสัสหัวว่ะนี้หัวขวัญหัวขวัญอันผ้าบาดเมือน่ะโอ้ผู้ข่าว่ามันบุหรี่เป็นไปเสื้อเลอจิตนี่ฮน่ะมันหัวขวัญหเทาปุดหน่ะมันหัวขวัญมัน เขาถูกเขาเจ็บมันบาดอีตนเขาแม่งก็เห่าตัวอนนี้เห็นว่ามันเป็นของคนอื่นกต่มันจะมคือสมน้ำหนาเขาแบบนี้ประสาทโอ้มามเมื่อคืนมันเอาเห็นเป็นขันเป็นตอนเป็นตอนเป็นผักเป็นผักเป็นผักไปแต่ว่าหักกรบาดเราหลายดอกแต่ว่ามันหักเกิดมันเห่าเป็นยังกอดมาเกิดประสาทพอจังได้เห่ากับเห่ามีมีเหามีนั่นนัะนนะถึงยังไรก็ตามเหาก็บหายมีสิน สินเป็นท่าแก้วสินเป็นพื้นฐานอแต่สินี่เยมันสินนาเผ่าไปไม่ยังกับตามผู้ขาเอาสินก่อนพ้องว่าก้านวาขึ้นกันเขาทำบอลในใจเขาไม่ต้องว้าออกไปเขาอะไรพิสสอบแล้วเขาจะว้าออกไปได้เขาต้องเบิ่งซะก่อนถ้าต้องเบิ่งจิตเท่าก่อนเขาสิไปจับคิดษมูดบอกว่าจับพิดตัวเองเทาก่อนออืต้องจับเทาก่อนเพราะจีจับพิดคนอื่นมูว่ามาเครียดอยู่เครียดแล้วก็มาเบิ่งใจเขาโอ้ ข้าวบัตรข้าดงกับมีบัตรขาพิดก็มีข้าวจะไปเอาหมูพิโตรวถือตรวจมันกับว่ได้ผู้ขาแล้ว่าเออแต่ว่าผู้ข่าวว่าบเป็นแต่ว่าเชภ่อู้าวว่าจกจกแยกๆน้ำหมูน้ําคูนี่ผู้าวว่าบุป็นเขายอมแต่ว่าจิตใจของข้น้อยนี่ไปว่าแต่ว่าหักเพื่อนทักหมูบทุกคนได้บอกบอเคยว่าที่ว่าหาหมูอาจารย์สีก่อดหมูจักเถื่อเลยแต่ว่าอยู่ของเราดินวบาหัวกับสมพรบอกกับแม่ไก่สีกับ หมู่กับเพื่อนที่ไ ป, ไปนํากนนันเว้าวที่ว่าหกความหักุนันนีอยู่ในใจฮะนะ่ะที่ว่าหักกันในญาิมิตรหักมัดฮะน่นะมีเมื่อหนึ่งขหน่อยะนะ่ะไปตลาดไปตลาดในรถเขาทอนเงินมาให้พิษดอมเดียวหนึ่งคลอยขั บ, บรถทบจีเห็นทางเงอนเมือเลยยอยู่ัจักรไถ่หอบจนสิบเบิ้น้มันบาถไห้ยไนเหินกับบกักสินาไปส่งเงินดอนนั่นกับโบจบนไป บนรงกับบหุจักบนิมือเนกับโบหุจักอธิษฐานอกชาทุว่าจนคันู้ขาห้สรงสีสรงเงินดอนนี่ะนะ่ะคอหเห็นสหานบนขายเรื่องฮะนะ่ะใต้กับับไปกับกัปคืนไปผู้ที่เห็ น, <ม> เ, หนเห็นห่านขายเขื่องผู้ที่เอาเงินไปส่งเขาคอยเจ้าท้อนเงินคอยพิชว่าจนะ้านออกมาจับพมาได้รถมลเอยแจ้งรอยู่ใกล้เือนื่อนฮะ่บริหารทางเมืองฮะน่ะ น่ไดไหว่าห่างนั่นอะไรก็ตามห้ายามีสินเกินนอกพ่อแม่กันเดีย น, ะส น, นกกะสินเป็นถ้าแก้วสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าโอ้ช่างแต่กาตามคนหนอยถืเอาสินขันห้องโบนีใจแล้วห้าโงโบตองว้าขันว้าแล้วองก็ต้องอนดับก่อนนกิดว่าโอ้ยังหว่าาถูกผู้ขาก็บ่มไม่มยังแก่เนอยเขนารอที่นี้แล้วกันนะมีหลายอยู่หลายอยู่แต่ น, น้อยครับโจากว่าวนี่ิว่าวไอ้ต้นเบอร์บูเดียฟัง มันปิดขันนะหขน้อยก็เห็นเธอนึ่งขก็น้อกเราไปแล้วนี่นมือนึงขน้อยไปเก็บอารมณ์อยู่ในหันหลวงพ่อปรยูมีแต่อาจารย์ผเสิรอยู่อ่ะอาจารย์มงคลเก็บอารมณ์บัณฑิหันมีมือก่อนขาน้อยชีวตัวนี้ก่อนขน้อยเห็นตัวนึงขันนะเห็นันยิตมันผนกันบงสี่งมันผันกันบังส่งะ มันพันกันเขาคือ่มอกนูลพันกันเขายิดนะบามันจะกอเขากอดเขากอดคือกอได้หจักนี่แะกอเขากอเขาม่วนเขามวนเขาขึ้นไปไหนมันบอกว่าขันมันบอกันมันบอกขันขันนี่ไปมก็กอเขาแบบนี้โอ้ขันมันบอกว่าขันันอนี้โดยขันหาประันมันบอกบาดทพันอยงื่อนีมันนึงข้อด้ยไปเก็บอารมณ์ไปเก็บอารมณ์เนีนะน อย่างเดินไปเดินมาเดินจักรในมือสองสามสี่มือแด็ดสามมือผู้ที่ไปเห็นมันว่ามันบอกว่ามันบอกไม่แต่ว่าสัมมติขันปัญญาขันเอ้าวสองซือนี่เป็นจังเครือมืวันแท้เขาน้อยว่ะยาคู่เนียมันเป็นจังไรนะสองซือหรอสัมมติขันปัญญาขันเนี่ยเดินไปเดินมาอีกเดินไปเดินมาอีกมันบอกอีกนี่แหละหูขันมันวะหูขันมันวะโอ้หูขัน ผูกขันสมาธิขันปัญญาขัานโอ้เราเกิดดีใจเบิดมือมันอาหารเกิดดีใจไปพ้ามช์ชอปปิ้งก็ดีใจมันได้สติเบิดการไปการมามันหลอกเก็บไรเบิดถุกทางเหมือนกันนะเขาบอกว่าโอ้อาจารย์มั่นทนเดินทางนั้นเขาน่าาก็เดินขางนี่อาจารย์มั่นทนยุดก็บยุดอาจามั่นทนไปก็ไปเดี๋ยวเขาบอกว่ า, วาโอ้าาพักวุฒิอยู่ข่ะนอย ก็บดนรืมก็ะดกขันม the ันไปเขาไปเบิ้งมันก็เห็นอยู่ขันตัวนั้นน่ะขันเปนเขาไปเบิ้งและขันว่าเฮาเขาต้อปฏิบัติเทาก็เบิ้งไปเบิ้งตัวขันเท่านั้นน่ะมันเห็นอยู่บัดนี้หันไป็นขันมันมันประกองกันและขันตัวนั้นป้องกันใจและบัดนี้นะไม่ั้งเข่ามากเลยบัดนี้มันคือเป็นแผนเป็นกระดาษอยู่ในใจเท่านี้นะมันสิเข่าวมันเข่าบวถึงบางเรื่องมันกับบวถึงบางเรื่องมันก็เข่าถึง ทึงแต่เขาก็บว่าโอ้สิ่งนี้มันบทเทียงไม่ติดบ่บ่เมืองทึงางแล้วมันก็ตุกไปรับบทเชื่อมันตัวนี้นะมันกลับไปก็นอกบุหู่ได้ยอเป็นอย่งก็นอกกับบุหุจักดอกโดยมันก็เป็นอารมณ์เกิดถึงจะเสื่อโดยก็ได้อารมณ์อยู่างนี้แต่บางมันหัก คือบอด้มันเสยๆกันมันคือบอดดี้ดีใจเสียใจนะมันน้ำหนัตามันพิติตมันออกมันน้ำตามันพังผ่านวยตลอดนึสต็ปีมัแต่ว่าตัวสุภนั้นเราเห็นดีโดยบ่ายุ้งเงี้นก็เห็นแะหนึ่งก็อะไรผ้าผ้าวนาแล้วเขาผ้าวานาแล้วต้องกันวลราสินนนลงนองหนากระดอยนดำเลยค่ะพื้ฐานภัยดิดำคือขี้ศพก็คูดันตาม ขึดขึ้นฮดขึ้นคือไพเผาดีแหละเอ้ากลัวไม่เป็นยักษ์หานะหน้าเป็นยักอันนี้ไป็นเป็นเ่ปฏิหารมาหน้าคือฮดแบบนี้ดำเขาขูดล่างนี่ก็ฮดขึ้นฮดขึ้นฮดขึ้นฮดผาคน่ะโดยนม่มไม่เป็นยักษมันก็เกิดอยู่ตลอดอยู่กันน้อยกัได้วมันก็แบบเออกันอยก็มันเป็นยักษ์แ้วปฏิหารว่ะของกันน้อยกับทำความเพียรกันน้อยกับบัณฑยุดธอยู่งานนั่นนะบแตรเวียก เกเขาโลดต้องเท่กับพังกัแ้องเท่กับไหวพ้องเอกเื่อจุกกม้องเอกับยกมือขนาดมีดปาดมือนีหันปลาอาหารไว้ยังมาบอกสติมันบอกว่าชมน้าหนาน่ยวาสั่นชมน้หนามีดปาดมือมันยังเบาให้หน่อยสชมน้าหนาเลนน่อยวะมันหัวควานอีส้่มแล่านอยวาโอ้วะมันมป็นตเสือมันเดิสดตีดีวามันมนของเฮาขมัน คนแม่ของเาหบ้านกับโต้องชุนำหนาเข้าอะไรวะเกิดจากตุกข์ขนมโตนาขนมโหมือวานที่ว่าย่ีสีทองเบาหลโคสูเทือเได้สุเทือนี่บาหลฝรนีด้เก่งขึ้นโธตนาน้องเด้เบาหลายๆขึ้นเอา ทนี้ระหว่างพ่อใหญ่รถกับโยมแขกในขยเอาก่อนนาะเอามาพ่อใญเอาพ่อใหญ่รถกันเอาเอาไม้ไปถึงยังเอาไม้เอาฟังยังน้อยหักทายบนด้วมาบานปืนกินข้าวนนี้บ่เด้งเเออมาเดี๋ยวเอามาฟังเยเออฝืนตัวรับเข้าสู่วันนี้ใจดำว่วาให้ฝนฟังได้เป็นยังไงเป็นยังไ้ดีใจน้เด้อ เป็นยังไงเจ้าของมาปฏิบัติยังไงคนห่างๆเป็นดาวทิมแหล่ามาปฏิบัติได้อยู่เดีอนะเป็นยังไงเกิดคอยใจใดเ่า่ากูบาฟังข้อเดือดสะของครูบาอาจารย์และพวกแล้วกับพวกที่สำเสร็จ อันนี้โมเม่ยังเซบาหลายล้คนน้อยอันที่จะมาหาหลวงพอ่อซมิมาหาหลวงพอ่อเนี่ยก็เป็นการแนะนําของแม่บุญซูครั้งแรกกลับไปพบหลวงพ่ออยู่จอร์เจียทีไปอันนั้นเนาะเม่สิเป็น ส, สองสองพันสิบเนาะโอ้ อั น, นันมันอันตรายที่สุดบุหูจากทิพจากแดนเนี่ยทําำกับกมันแกลแม่ทั้งปายอันแม่สู้หั่นก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณก็บบุมเพลินหลังจากเทวสัมมาอาณาสมาธิอยู่จอเจียแล้วกลับเมื่อไปสิบเบ็ดทิบขอโอ้ยบุญแม่บุญมมสู่วหายบอกให้โอ้ยเจ้า ก, ก็ไปปมาแล้ว โอ้ข่าสัตว์ชีวิตหลายสามโมงกลางคืนเ น, นี่ยผูนเอาเงืนลองกินนำผู้นทะเลได้เอาปลาทาริเปิลเบสบวกปลาดำนัมม่นสันและความโหดให้ยของคนนั้เมริเซียหลังจากนั้นรถมาหาเม ม, มสุสุแล้วว่าให้จะมาหาคอยซะรถได้เจ้าอันตรายแล้วเจ้าไปปฏิบัติธรรมอยู่โจชจอาห์นกตัวมาต้อง เจมือสิบมือก็ยังเจ้าก็ยังไปคือกกับมาหาเพืเอ่อนอีกขันมาหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ บ, บอกว่าตื่นหกโมงนำค้อยแล้วสมาธิแล้วเพื่นก็ถามเรื่องหูเรื่องนามเรื่องนางนี่แหละโอ้ค่อยบอกเขา ใ, ใจไนมะ่สู้ค่อยชิมเงือแล้วไปสู้ก็รอฝ่ามืออยู่ในนี้แล้วก็เพื่อนก็พาลูกปัญญาอ้อมเหตุเอกเสกซายนั่นแหละ หลังจากนั้นพลวัลประหารหลวงพ่อซะก่อนชิมงานด้นะเจ้ามาราชีวิตกันโอ้ยค่อยบุไปไพรนะขั้นบุปไพเจ้ามีเวรมีกรรมแล้วนี่นี่ยเจ้ายังคือเก่าอยู่โอ้ค่อยบุปไปแล้วพระฤๅรัมีมูพระเนืองยวนะสาวกครนามารับเอาไปใช้ไปซื้อเบ็ดเตรียมเบ็ดเต็มรถใส่คุโรอีกสองกันไปว่าสันเสีย ว, วสันเออไปกันไป ไปบริข่าวออกรถออกรถแต่สามโมงตอนแรงสิบโมงเช้าบื่ออื่นฮอดอินอนยอ่าอยูอ่บิจินเมืองบิจินนั่นแหละมาจิตใจเปลี่ยนแปลงอะไรกับบุหุจโอ้ยกูบุไปนะมึงระเสียวกูจะไปแล้วกลับคืนแล้วใค้บักมึงไปยังรัสเมึงผีบ้าแล้ววะัสกับบริมิทผบ้าก็บบุหจว่ากูฆ่าสัตว์หลายแล้วนี่นะ ก็เรารัแรงไปซื้อปีนยนต์แล้วก็เอาเครื่องทั้งหมดเป็นฝากยูพีเอสกับจอเจียโอ้มันหายวบอกนั่นนะมันหายเป็นเพศเป็นเพีมานี่มึงกูมาน้าเมืองเมืองป่ากูขึ้นยนต์เมื่อป่ามืองอันตรายอะไรบอกเียบอกก็ยากูขอกูเข้าทำแหละก็บ้หู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วกิดขึ้นยูบอกว่าตัวเองนี่ เขาทำเลยนะสันในแม่บุญชูเราก็มาเลยก็บอกให้แม่บุญชูนมาหาเขาเดี๋ยวนี้สันคาบวไปหาแม่บุญชูเป็นอย่างจะเป็นองสันเห็นบ่ชทำเขาเจ้าเหอันไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวนี้บวชบวเพ่อนเองโทวเองหาหลวงพอ่อหลวงพ่อสันจะเป็นเพื่นว่าอย่างไรก็คงเอาลมกับอันโอโรเดนก็ลมเพื่อนหลวงพ่อว่ามาหามาพี่อัน เวนกรรมมันมีบ่มีตุนมีตัวบ่มาว่สวาสันวงพ่อว่าสันเนีโอ๊ยไปกับไปสไปว่าสันก็เคีนยนมามาบหาเพนวันที่สิบสองอมมวนันสุดอาทิตย์มเมไอาทิตย์ดือนเร่เล้วเนี่ได้มาได้เดือนหนึง่งเดมาแล้วมาเข้าธรมาารมะน้ำเพลินแล้วก็มาเฟียวฟรอมว่าขอมาศึกษาความเป็นธรรมแล้วก็มาชิดใจสงบ โมโหโทสโหลายแล้วกับมันเป็นอิสังวะและ้วอยู่ในจิตใจนี้ทหลวงพ่อพันกลับมาเมตตาเอาแล้วก็ใหส้สติบันทํมาแล้วกับเดชะหลวงพ่อพันก็ยังเอาชีวิตไว้เอาภกค่านี่ก็ ก็เป็นทหารโดดร่มนําการนะครับอาจารย์พันเอกโอ้โหเดรดล่มเสียงค่าไปไหนเขาน่ากับเสียงค่านเพิ่งเกิเสียงค่าเพราะพวกในเนี่ยพวกที่เหลือตายมาแล้วข้าเจ้าบุิกส่งข้ามมาได้นางนาข้าเจ้าส่งไปตายแล้วกันแล้วพวกในเนี่ยสนั้นก็เลึกบุคคลวันจะเป็นยังไงแต่ตัวเองก็เป็นคนบุดีแดงสนั้นก็เขาทำมานี่ยครั้งแรกมาปฏิบัติอยนานราชวิการอยู่นั่นลำเพลินก็มี ิดปกติเมื่อหนึ่งหัน่นมีแม่ออกโยมมาหาเพลินหลวงพอแล้วว่ารถ้าขึ้นสัมภเวสีหยุดเทิงไปสัปมภเวสได้ประมาณนั้นระหว่างครึ่งสมวงนะผิดปกติปกติวันคงหนาวตึงขึ้นมาอยู่ในหางกายในยห้วยลแล้วลมหาโนพอคนน้อยตายแล้วนี่จะหน้อยไปไปไ ป, ไปเป็นยังตึขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก ววเรวบอกเพื่นฟังไปจักน้าหูน้ำตาเราออกเรห้อยมันเป็นยังอันนี้อาจารยแล้วก็หลวงพ่อกับมามื่อมานอนกอกันเพิ่อนกันอย่างนี้มือมานี่มาอันนี้สองเธอประกฏกานนี่นะมันมีลักษณะที่ว่าเวลาสมาธิไปนะตั้งนามกับหูเนี่เข้ากันมากนะแล้วมีคนคนหนึ่งมาอยู่นี่ เมื่อตากมาห้อยแล้วหายสับสนไปเลยซองเธอได้มาอยู่นี่นะเป็นแบบนั้นนะคนนะคนหาเป็นผู้ชายแล้วมาอยู่ข้างคนนั้นนี่นะมันมือตากมห้อยตื่นมาทุกัปดาห์แล้หายสับสนไปซองเธอเธอเธอเดเตือนอยู่หันเธอนี้ก็อยู่อยู่นี่ซองเธอแวว่าเร่มวงตาบจากเรื่องซลวงตา บงูหู้ังหู้วันเป็นอย่างมาติบาสทํานี่ช่วยกันให้กันแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างอะไรขอขอบอกขอบใจนําอันเพืนึงกัไปก่อนเพืนึงก็บน้าหลังเนาะก็ดึงเอาพวกน้าหลังอะไรน้าหลังมันตกขี้ตมเลยดึงเอาพวกไปคือแม่กันสีน่ดึงเอาผลรเลยมาดึงไปนักเพ่นนั่นแหละเพ่นจองเพื่นดึงไปสันน่ะก็ขอบุทนานําขอขอบอขอบใจนําทุกๆคนนี่ย มีอย่างโบโหโบโบโหโบเห็นบอกเลยว่าตกหลับบุพองกะให้ดึงเอากันนั้นหลให้ได้ไกัอยาพ้นทุกข์คือกันเลยมีทุกมีอันทุกขังอนิจจ์ในมันบ่ได้ไปกัอยากลุดพภพแกว่าไงก็ไม่เคยรู้จักพระอาจารย์ดิเรกเหมือนกันเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าเคยไปนอนวัดท่านโดยที่ท่านไม่ได้อยู่วัด แล้วก็แล้วก็แล้วก็มาเจอกันอีกทีก็เมื่อเดือนที่แล้วที่วัดอะตัมเพราะว่าท่านไปที่วัดอะตัมเยี่ยมพระอาจารย์ฤทธ์แล้วท่านก็บอกให้ดิ่ฉันพามาแบนคูเวอร์ยังก็บอกว่ามาไม่ได้กําลังจะห่อข้ต้มไปงานฟังลูกนิมิตวัดออริกรอนห่อพันกว่าหอนะฮะทางอาทิตย์แล้วท่านก็เลยให้คนที่อยู่วัดอะตัมพามานี่ท่านก็รู้จักญาติโยมที่นี่เยอะแยะไปหมดท่านก็เลย ได้มาที่นี่ก็คือคือคือไ อ, อ้ยังเดินถอยหน้าถอยหลังเนี่ยนะดิฉันเดินมานานแล้วเป็นสิปีแล้วคือใครเขาว่าบ้าหรือไงเดินถอยหน้าถอยหลังบอกชอบอะ่ะคือคือคือคือถ้าเดินถอยหลังมันจะไม่สติมากกว่าเดินไปข้างหน้าใช่ไหมฮะเพราะเราต้องตั้งใจเดินถ้าไม่เดินมันก็หกลม้มคือเราต้องดูให้เคลียร์ก่อนว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังาหรือเปล่าแล้วเวลาเดินฉั้นจะนับ ข้างหน้านี่จะเดินน่ยระยะเนี่ถ้าเดินยี่สิบเก้าข้างหน้าข้างหลังต้องยี่สิบห้าหรือว่ายี่สิบก้าข้างหลังจะใช้มากกว่าคือคือจะเดินอย่างนี้แล้วก็สวดมนต์ไปด้วยจะใช้เป็นอย่างนั้นก็ออยังว่าเออแล้วระบบของเราเปนระบบบ้าๆเนี่ยแล้วจะมีใครเข้ามาสอนมั่งอ้าวเขาพอดีมาเจอพระอาจารย์ดิเรกที่วัดอาตามแล้วไปที่หอนใช่ไหมคะท่านก็สาธิตวิธีการนั่งสมาธิโดยการยกมือ ก็ว เ, เอ๊ะเอ๊ะมีด้วยหรืออย่างนี้ก็เพอมาถึงที่นี่โอเคยืนก็ทําได้คุกเข่าก็ทําได้แล้วก็เอ๊ะก็เหมือนเราเคยทําปกติมาสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าอย่างนี้มีครูบาอาจารย์สอนให้ทํามั่งก็เลยว่าเออนี่ก็เราก็ปกติสิเนี่ยเราก็นึกว่าเราบ้าไปแล้ว <c oughs> โ, อโอเคโอเคทำก็ทําคื อ, อ, อ, คอที่มานี่นะก็ยุงย่งยุ่งที่ช่วยติ๊กทําไมต่ออะไรนะะไม่เคยมีเวลาเข้า ครอสตอนที่พระอาจารย์สาธิตให้ดูนะประฐมิเทศไม่เคยดูแต่ว่าจําได้ครั้งเดียวที่ท่านสาธิตที่หอนที่วัดอาจาริศแค่นั้นเองคือจําได้เลยครั้งเดียวก็ น, นั้นเองจําได้เลยก็ไม่รู้จําได้ยังไงจําได้เลยบบบบห้าก็ตอนที่พูดที่ฮอนไงฮะที่ฮอนที่วัดอาจาริศห้าครั้งเดียวนั่นแหละจําได้เลยก็ยังพูดกับอาจารย์วันนั้นว่าไม่เห็นอาจารย์สอนนายโยมเลยเนี่ยนโยมก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ย อ่าใช่ไหมฮะคือคือไม่มีใครสอนไม่มีใครสาธิตเลยว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างงี้แต่จําได้ครั้งเดียวที่ท่านเนะที่วัดที่น่านแค่นนอาจารย์นิดแค่นั้นเองก็เลย <มา S 2> ทำได้ดอะก็เลยทํ<ๆ>าก็ไปเรื่อยๆก็เรื่อยๆเฉยๆไปเรื่อยๆก็คือเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆเหมือนเรือเกลือไปเรื่อยๆก็มีรถคันก็เดินทางไปเรื่อยเหมือนว่าก็เป็นสิทธิหลวงพ่อบรือยังฮะเข้าขอร์สหลวงพ่อไปริยัง ฮะวจียนฮะเป็นสิทธ์รุ่นแรกของแบนกูเวอร์ฮ ะ, ะเคยทำมาแล้วฮะเคยทำมาแล้วก็ไปเรื่อยๆๆเชื่อๆฮพุโทโธก็คือมันไม่ค่อยชอบนั่งอยู่ที่เพราะเป็นคนนั่งนานไม่ได้นี่ก็นั่งนานไม่ได้เพราะปวดหัวเขา<อ>คนแก่โลกคนแก่ก็ได้มากก็จะนั่งก็กอีกระสูงก็ผ้าครูบาอาจารย์แต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้คือไม่อยากทรมานตัวเองนะฮะก็ต้องเอาตัวเองไป้ต่อนอยาือไว้ทีหลัง แล้ก็ทําได้มากขึ้นก็เดินได้มากขึ้นก็เดินอยู่เรื่อยก็เดินคือไม่ค่อยได้อยู่ในห้อนจะไปอยู่ข้างนอกซะมากกว่าเพระชอบฟริตฟริตแอร์เดินค่ะเดินเดินแบบเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คือคือก็เดินเอามือพ่ายหน้าพ่ายหลังเหมือนกันก็เดินระยะเท่ากันคือไม่เดินไม่ไม่ได้ฮะก็ใช้พุทโธเดินยกกพุทออกกัโธนะฮะ แล้วก si, si, si ็เดินไประยะคือมองข้างหน้าประมาณสี่สี่สี่ฟุตหรือว่าสองเมตรให้มองข้างหน้าเวลาเดินฮะมอมาสันีนี้ก็ประมาเ่านมาฮะมันก็ก็คือมันก็ง่ายๆดีก็เราก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วก็เลยง่ายๆกันไปเลยง่ายๆ คือไม่ได้สนใจที่จะไปเอาเหนือเอาใต้เอาอัตะวรอวนออกตะวันออกก็คือคือเราเดินให้สบายใจแล้วคำดาวแล้วก็มีสติคือการมีสติแล้วการคําดาวตัวกูของกูคือเป็นควนว่ากูก็คือของกูตามมาจากหลวงพอ่อพุทธทากูคือกูอย่าไป่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปหวังอะไรก็คือก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ห้ก็คือฟ้องหลวงพอ่อพุทธชาติมานี้ก็สี่สิบกว่าปีละแต่ในสมัยสา ว, สาว จนกระทั่งสาวมันน้อยก็ <c oughs> พอดีว่อาอตัมมาตั้งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เลยช่วยวัดอตัมตลอดเพราะว่าเป็นสายเดียวกับุณหลวงพอ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาการเรื่องการมีสติก็เอามาจากหลวงพ่อปัญญาท่านก็จะสอนให้มีสติหฮาก็คือ กรรมฐานคือเดิอนอะไรกรรมฐานไม่รู้คือนั่งสมาธินี่ก็นั่งแต่ว่าไมไ่ไม่เข้าใจว่ากรรมฐานหรือวิปัสนาอะไรก็คือเราก็นั่งแล้ไปเรื่อยๆคือให้สบายใจแต่มันก็มีสติที่ว่าก็สติก็ดีอย่างว่ามันช่วยให้เราคำดาวางทีจะไม่คำดาวฮะไม่ค่อยคำก็คือคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าปัญหามันเยอะจนถ้าเป็นคนอื่นก็คงฆ่าตัวตายเปนนะก็ ค, คิดจะฆ่ากนะ็ อ, อยากจ ะ, กะเดินไปในมาหาสมุทรแล้วก็ไม่กลับอ่ะลุ้งขึ้นมีคน กระโดดน้ําตายแทนเ อ, อาก็ตายแทนไปแล้วเอาอีกสักพักนึงเอาอยากจะผูกคอตายคือปัญหามาหนักมันแก้มไม่ออกอ้าลุกขึ้นมีคนผูกคอตายอีกก็เลยเอองั้นกูไม่ต้องตายแล้วมีคนตายแทนแล้วแล้วก็อยู่ช่วยศาสนาต่อไปแล้วเนี่ยทหากินไปตามวัดเรื่อย ๆ, ๆ, ๆทุกวัดห ล, งลดังรถมีสมบัติคือช่วยวัดได้ทั้งอาหารข้าวอาหารหวานและจัดดอกไม้ก็ปลาทู่ไข่สีก็บอกรถเจ้ากับถังขยะที่วัดนี่ยังน้อยกว่า คือคือของคือลงวัดไหนถ้าวัดไหนให้ช่วยทําอะไรก็คือทําได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆรู้ไหมโยมแข่อมามางานเนี่ยถ้าได้ยมแข่คนเดียวนะหลายคนท่าน กข่งคเวอร์เลยรู้นะเพราะอะไรเพราะคือเพชรในตมนะไม่ในตมไม่ในตมก็เลื่อยเรื่อค่ะเนี่ยเพราะว่ายมแข็งรู้ไหมว่าเอามาเจอยมแข็งเนี่ยเดี๋ยวยมแขกเนี่ทุกอยู่ข้างในมากๆเลยหน้าดำคลำเขียดแต่พอมาถึงวันเนี้ยสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วจากหน้าดำเลยเป็นหน้าใสแล้วรู้ไหมเอาจริงจริงเอานี่ไม่ได้ไม่ได้ยอนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแสดงว่าเราเจอกัลยาณมิตกัลยาณมิตีสําคัญนะ คืแตลอเวลาโยมแข็ขาดอะไรอย่างหนึ่งขาดกรารยาณมิตรที่จริงใจก็ยังไม่รู้จริก็ที่เจอพระอาจารย์ครั้งแรกคือไปวัด อ, ตอะตัมก็คุยกันทางโทรศัพท์จากวัดออริกรอนใช่ไหมฮะพระอาจารย์ก็บอกจะมาแวนคูเวอร์ยังบอกอาทิตย์นั้นยยมไม่ว่างต้องไปห่อข้าวต้มไปงานปารุมเมตพระอาจารย์ก็บอกแล้วจะให้ใครพามาคนคุ้นเคยกันนะพามานี่ก็ มันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นก็ปรีไปวัดตะตำวันเดียวกันด้วยเออขึ้นมาท่านขึ้นมาจากวัดอริการยอมก็ไปทางนี้ก็ไปเจอกันที่วัดตะตำนิธรรมนะจังว่าในช่วงที่ทำหลวงพ่อพุทธทาสก็ดีวัดยานก็นีเนะี่ยคําว่าลูก น, นามเนยได้สัมผัสบ้างไหมไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะเ ข, า, ขาไม่เคยคิดจะรู้ไม่เคยคิดจะรู้อะไรคือก็บอกเลยนะทําไปเรื่อยเรื่อยเฉยยไม่คิดว่าจะต้องการอะไรหรือคือรู้อะไรเนี่ยจะบอกอย่างหนึง น, นะ โยมเนี่ยเท่ากับเจอคุม้มเสมบัติมานานนะแต่ว่ายังไม่มีวิธีเปิดเท่านั้นเองนะถ้าสมมติเป็นห า, หายทองเนี่ยนะเขาปิดเอาไว้แต่โยมก็อุ้มมาตลอดสี่สปีเนี่ยนะ แต่ยังไม่มีวิธีเปิดแต่มาที่นี่โยมพึ่งศึกษาวิธีเปิดแต่ยังเปิดไม่เคยได้ตอนอีกสักงานหนึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอุ้มอะไรก็คือไม่คิดว่าจะอุ้มคือแบกแล้วมันหนักนั่นแหละไม่อยากแบนอะไรแล้วฮะใช่แบกแต่ไม่รู้ว่าแบกเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้เองว่าแบกขนาดไหนนะะแล้วถ้าถ้ายังไม่ตายก่อนก็คงจะรู้ไม่ไม่ตายนะเพราะฉะนั้นอามาว่าในแวนคูเวอร์เนี่ยโยมแขกรู้คนเดียว ไปได้หมดเลยมาหวังวันนั้นนะนะอย่าหวังมากค่ะอย่าหวังมากับโตเพียครบครบเรื่องเพื่อนก็เยอะเพื่อนก็เยอะนะใช่เพราะฉะนั้นมาเทีนี้ฝากอย่างว่าความเพียรที่ได้ที่นี้จะเดินหน้าถอยหลังยกมือนี่นะมันเข้ากับบุคลิกของโยโยเนี่ยไปนั่งกรสมบบเขาไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนที่แอคทีฟ คนแอคทีฟที่เหมาะสําหรับวิธีนี้เนะเหมาะวิธีทแทรกเติร์นการอย่างที่ว่านี่แหละแอคทีฟถูกทีนั่นแหละถ้ามันมีทําว่าจะต้องถูกทีมถ้ามันมีทําว่าจะต้องถูกทีมแน่เด้อเราไปจะแอคทีฟแต่เนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยคนได้เนี่ยคนอมาทุ่มบอกว่าในวิธีการนั้นเนี่ยจะได้คนที่ ที่เปิดเผยที่จริงใจอ่ะแต่ที่นี้คนทั่วไปเขาไม่ค่อยชอบอะ่ะเพราะอะไรก็หัวให้ใครไม่เป็นคือคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบโยกชอบยอยชอบชอ่ะอ่ะเนาะสลักอึ้งสชแต่ว่าวิธีการนี้มีอะไรที่เปิดเผยแล้วก็จริงใจแต่คนในวิธีการของหลว่าเทียนนคนไม่ค่อยชอบนนะแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งชอบคือคนอย่างเราเรานี่แหละ เออมันตรงไปตรงมาอะไรก็ไม่มีการบุกเม็ดไม่มีการอะไรก็ว่ากันไปตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นของจริงไงนะเป็นเพื่อนกับเพื่อนกันจริงๆอเป็นนผือนผือจริงๆไม่ใช่ไว้หน้าไว้หลังหลอกยันเท่าไปร่เขาทำกันนะก็ใช่ก็เรื่องจริงมันสิ่งไม่ตายแต่คนพูดมันตายมันพูดมันตาบต่อไปจะรู้ต่อไปจะพูดเป็นนะะถ้าโดนมาแล้วรู้ก็ โอเคนะหมดเวลาแนละ้วก็ขอมุทนายส า, าทุนด้วยนะ